อติตังนานวาขเมยะนับปติกังเขอนาคตังยะทะติตังปะหินันตังอ ป, ปัตัญชะนาคตังปัจจุปนังจจโยธรรมังตัตตทัตาวิปัสติอสังหิรังอสังกุ ป, ปังตั้งวิทามะนูพรุเยอัดเจวะ กิจจะมาตาปังโกชนยามระหนังสเวนาฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาบิงอโหรตมะกันทิตังตังเวพัเถกระโตติสันโตอาจิคเตมุนิติบุคคลผู้มีปัญญา ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตั้งความหวังกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นก็ได้ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มีมานั้นก็ยังไม่มาถึงก็ผู้ใดเห็นแจ้งชัดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันณที่ น, น, นั้นแล้วใจไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลน และผู้ที่ทราบชัดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยงไม่มาถึงและไม่มีความง่อนเงนคลอนแกลนในเหตุปัจจุบันนั้นแล้วพึงพอกพูนความรู้นั้นให้มากยิ่งขึ้นความเพียรเพื่อเผากิเลสควรทำในวันนี้เท่านั้นก็ไกรเล่าจะสามารถรู้ได้ว่า ความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับพญ า, า ม, มจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้ผู้เป็นบัณฑิตย่อมกล่าวสรงเสริญผู้มีทาเครื่องเผากิเลสเป็นเครื่องอยู่ผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าเป็นมุนีผู้สงบ เป็นผู้มีราตรีเดียวอันเจริญนังนี้แลยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสีย ง, ง, งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารับรุณในทุกบันการเป็นการนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจโดยการทำโดยการปฏิบัติเรามาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจอดีตอนาคตปัจจุบันให้ไม่ง่อนเงีนให้ไม่คลอนแคลนกันคนที่มีปัญญาดูบูฟังเขาจะสามารถที่จะละทิ้งไม่ยึดถือในสิ่งที่เป็นอดีตได้คืออนาคตยังไม่ต้องพูดถึงละ่ะเพราะมันยังมาไม่ถึงบางคนไม่ได้คิดถึงอนาคตอนาคตอะไร แต่อดีตมันผ่านมาแล้วเนี่ยแม่มันคิดถึงดีจังมักจะนึกย้อนไปอยู่เรื่อยว่าเออดีตเคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้คนดีก็มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้นึกย้อนไปตอนนั้นไม่ได้จะคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคนที่มีปัญญาขึ้นไปอีกนะท่านผู้ฟังต่อให้เขาจะคิดวางแผนในอนาคตว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าเขามีปัญญาขึ้นไปอีกเนี่ยสิ่งเที่ยงไม่ได้มีมาในอนาคตนั้นเขาก็ไม่ได้จะคํานึงคิดล่วงไปถึงบบบนั้นแล้วคนที่ก็มีปัญญาขึ้นไปอีกนะทุกวาง อ, อนาคตเขาก็วางแผนอยู่แต่เขาก็ยังอยู่กับปัจจุบันได้ทําอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เห็นปัจจุบันเนี่ยโดยความเป็นกลางไม่งอนเงินไม่คลอนแคลนด้วย ปัญญามันมีสามชั้นขึ้นไปวางแม้ในสิ่งที่เป็นธรรมปัจจุบันได้สามชั้นเป็นยังไงวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันเริ่มต้นด้วยการที่เรามาสังเกตลมหายใจของเราทุกฝั่งในวันนี้ดูลมหายใจลมเข้าลมออกจดจ่อานาปานัสติเอาไว้ปฏิบัติให้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญามีสามชั้นต่อเนื่องกันเหมือนอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละเหมืนต่อเนื่องกันไปปัญญาเราจะเกิดขึ้นได้จากการตั้งสติไว้สติอยู่ตรงไหนอยู่ได้ทุกที่ตร้งฟังสติเนี่ยเพราะมันคือการระลึกได้เราระลึกนึกถึงสิ่งใดได้ไดสติมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแ่ะ น life, that, ึกถ right ึงอดีตสติกระจ่างตรงนั้นนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอนาคตสติกระจ่างอยู่ตรงนั้นคิดนึกอยู่ในปัจจุบันสติกระจ่างอยู่ตรงนั้นนึกถึงคนโน้นสติกระจ่างอยู่กับคนโน้นนึกถึงตรงนี้สติกระจ่างอยู่ตรงนี้ในที่นี้เรานึกถึงลมหายใจสติกระั่างอยู่ตรงนั้นเราคิดนึกตรึกไปในเรื่องใดจิตเรามันอยู่ตรงนั้นทันที ยิ่งเป็นรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้แต่แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันืางที่เมื่อคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องไม่ดีการระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติเพราะว่ากิดเลสมันเกิดไงพอเรารู้นึกถึงเรื่องที่ให้มีความไม่พอใจหรือให้มีอกุศลธรรม กิเลสมันเกิดแล้วมันก็เป็นมิจฉาสติในที่นี้เราจะให้สัมมาสติเกิดขึ้นเอาลมหายใจนี่ละก่อนหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนเอาตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัส ต้องลมหายใจให้ได้รับรู้ได้นะที่ตำแหน่งไหนเวลาที่บอกว่านึกถึงลมนึกถึงลมเนี่ยเอาตำแหน่งนั้นเหมือนยามเขาจะเฝ้าประตูโอ้ยประตูนี่ถ้าเป็นประตูเมืองมันก็ใหญ่นะเอาตรงข้างนอกหรือด้านในหรือตรงไหนเขาเอาบริเวณนั้นแหละบริเวณทางเข้าทางออกจุดที่คนมันจะผ่านจุดที่จะเห็นคนเข้าคนออกเนี่ย ตรงนั้นก็จะต้องคอยโฟกัสอยู่จุดนั้นยามฝ่าประตูนี่เหมือนกันเรามาดูลงใหายใจเรามาดูนะตำแหน่งบริเว ณ, ณทางเข้าทางออกของลมอาจจะลองหายใจแรงๆดูสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามาตั้งไว้เวลาเรามานึกถึงลม นึกถึงตรงนั้นแหะนึกถึงระลึกถึงได้นะที่ตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตเรามันก็อยู่ตรงนั้นให้สติรวมหมายใจแล้วก็จิตอยู่ด้วยกันตรงนั้นล่ะแต่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลม ให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างไม่ต้องเกรงคอเกรงไหลเกรงหลังเกริงแขนให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ปล่อยคอไหลแขนอย่างสบายๆให้หายใจเป็นธรรมชาติความคิดนึกก็ไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องคอยบังคับจิตว่าอย่าคิดหรือต้องคิด อย่าไปบังคับปรารถนาบังคับแล้วมันจะปวดหัวเหมือนถ้าเราเกรงจุดไหนแล้วเดี๋ยบริเวณนั้นมันก็จะปวดขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราไาม่ําความคิดนึกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ในที่นี้เราฝึกจิตเราไม่ได้มาฝึกการหายใจแต่มาฝึกจิตของเราให้มัน อยู่ที่ไหนที่หนึ่งการฝึกมันก็ต้องมีการบังคับนั่นแหละเขเรียกว่าเป็นการฝืนเป็นการทำความเพียนโดยใช้คำให้ถูกก็มีการควบคุมก็แล้วกันเพราะว่าถ้าฝึกใดฝืนหรือว่าบังคับมันก็ไม่ใช่บังคับมันจะเกรีดกรัดเกินไปแต่ต้องมีการฝืนต้องมีการควบคุมต้องมีการกาหนด ก็มีการปรุงแต่งก็งมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะให้มันไปแต่ก็ไม่ใช่ฝืนขู่เข็นบังคับจิตขนาดนั้นแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ทำให้ถูกเหตุปัจจัยเงื่อนไขโดยสังเกตลมไม่ใจท้นนั้นเองถ้ามันมีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาอันนี้ธรรมดานะ เหมือนก็ว่าประตูเมืองมันจะไม่ให้มีคนเข้าคนออกมันก็ไม่ใช่คนเข้าคนออกก็ธรรมดาคนเฝ้ายามก็ดูไป่อยเฝ้าดูแลไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไม่สงบเรืยอร้อยอย่าให้มันเกิดขึ้นชินด้วยกันเหมือนเราเฝ้าดูรมไม้ใจเนี่ยสติคือยามดูกไหมช่องทางในที่นี้คือช่องทางใจเนี่ย มันก็จะมีคนเข้าคนออกในที่นี้ก็เปรียบเหมือนความคิดนึกนั่นแหละมีความคิดนึกมีภาพมีเสียงมีความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดในช่องทางใจเอาเพิ่งที่มันก็ไม่มีไม่มี ก, ก็เหมือนกับว่าประตูไม่ได้มีคนเข้าคนออกไงบางครั้งมันก็เงียบๆแต่เงียบๆ ย, ย, ยามก็ต้อง alert ยามมันก็ต้อ ง, ออมองไม่ประมาทเหมือนเดิมนั่นแหละ จะมีคนเข้าคนออกจะไม่มีคนเข้าคนออกยามก็ต้องคอยเฝ้าไว้เพระาะว่าถ้าเผื่อมีคนเข้าคนออกแล้วเหตุการณ์ไม่ปกติมันเกิดขึ้นก็ต้องคอยระวังเช่นเดียวกันเรามาคอยดูรไมัใจเนี่ยจิใจของเรามานึกถึงอยู่กับลมหรือมาทีอาจจะไม่มีความคิดเราก็มารู้ลึกถึงอยู่กับลมได้สติอยู่ตรงนั้นบางทีอาจจะมีความคิด เราก็มาระลึกถึงลมได้สติก็ตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ประมาทการที่จิตใจของเรานึกงถึงอยู่กับลมได้ในขณะที่มันก็มีความคิดนึ้เกิดเป็นธรรมดาจิงเราก็หนามาในทางสติตั้งไว้ทันทีสติก็จะมีกำลังขึ้นตามกระบวนการของอาณาปาะนะสติตั้งจดจ่อไว้ยกับลมไม่ใ่ จิตเราก็น้อมตั้งไว้อยู่กับสติสติก็จะมีกำลังมากขึ้นความคิดนึกอะไรต่างๆเมืนจะไม่ได้มามีอำนาจเหนือจิตของเราความที่จิตของเราจะคล้อยไปในความคิดที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนั้นมันก็จะเบาบางลงเบาบางลงจิตก็จะค่อยๆระงับลงระงับลงความที่จิตระงับลงระงับลงนี่หละทุ่ฟัง มันคือจะค่อยๆเป็นสมาธิแล้วจากสติมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปเป็นสมาธิความคิดนึกหนะ้าทำฝังถ้ามีเนี่ยอาจจะเป็นสมาธิก็ได้อาจจะไม่เป็นสมาธิก็ได้ก็อยู่ที่ว่าความคิดมันเป็นความคิดประเภทไหนถ้าเป็นความคิดในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนก็จะไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นความคิดในทางลีกออกจากกรม ในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเอออนั้นเป็นส่วนประกอบของสมาธิได้สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติเอาไว้สติจะมีความคิดนึกหรือไม่มีความคิดนึกก็ได้สมาธิจะมีความคิดนึกหรือไม่มีความคิดนึกก็ได้ถ้ามีความคิดนึก ก็เป็นสมาธิในขั้นต้นๆถ้าไม่มีความคิดนึกก็เป็นสมาธิชนิดที่ลึกๆ ล, ลงไปแต่ต้องมีสติแน่นอนสติดันเราตั้งไว้อยู่กับลมเวลาเราตั้งสติไว้การปรุงแต่งทางกายและการปรุงแต่งทางใจมันก็ชค่อยๆระ ง, งับลงระ ง, งับลงคำระ ง, งับลงหมายถึง จากที่หยาบหยาบมันก็จะมาละเอียดลงละเอียดลงเจนเปรียบไว้เหมือนกับคนที่วิ่งอยู่เฮ้วิ่งอยู่จะวิ่งทําไมนอก็ระเดินกัแล้วกันนะหรือคนที่เดินอยู่เฮ้จะเดินไปทําไมนอกระนั่งก็แล้วกันนะกับคนที่นั่งอยู่เฮ้ก็นั่งอยู่ทําไมนอกระนอนก็แล้วกันนะแต่คนที่นอนอยู่ยังไม่หลับ นจะนอนอยู่ตำไมหน้าก็หลับก็แล้วกันนะก็หลับไปเลยคนหลับไปแล้วมึงทีก็ไม่รับรู้ถึงสิ่งต่างๆมันระงับลงแบบนี้การปรุงแต่งเนี่ยเหมือนกันในการปรุงแต่งในช่องทางใจที่ว่าระงับลงระงับลงเนี่ยนะมันก็จะระงับลงจาจความคิดหยาบๆที่เป็นไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนเรื่องไม่ดีอดีนาโคหมือนพวกเนี้ยระงับไปก่อนละ จะมีความคิดนึกก็จะเป็นความคิดนึกที่หลีกออกจากกาไม่พยายามไม่เบียดเบียนเป็นไปเอาอาจจะเป็นในอดีตอนาคตปัจจุบันมีทั้งนั้นความคิดที่เป็นไปในอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันมีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการพยายามเบียดเบียนเหลือแค่นั้นระงับลงไปอีกไอความคิดเหล่านั้นอดีตอนาคตก็าหายไ ป, ประงับลงไปอีก ความคิดนึกอะไรต่างๆก็ไม่มีอาจจะเห็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างอะไรบ้างหรืออยู่แค่นั้นก็ระงับลงไปอีกจนกระทั่งมันไม่มีความคิดนึกอะไรเลยภาพแสงสีเสียงอะไรต่างๆก็หายไปอีกทางกายมันก็ค่อยระงับลงระงับลงไปตามขั้นตอนของเขาทั้งกายเอาจากที่ว่าจะต้องคันตรงนั้นขยับตรงนี้ปะ สติตั้งขึ้นการปรุงแต่งทางกายระงับลงเพื่อมันก็จะไม่ค่อยขยับกายมากอาการคันเริงต่างมันก็หายไปเอาต่อไปอาจจะมีปวดบ้างอะไรบ้างแต่าการปรุงแต่งทางกายของเราระงับลงอาการปวดนั่นนี่น่นก็เบาบางลงหายไประงับไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ากายมันไม่มีอยู่เลย กายนี่มันหายไปเลยเหมือน ว, ว่างๆโล่งๆไปอย่างนี้ใจก็เหมือนกันว่าเหมือน ว, ว่างๆโล่งๆไปอย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่การปรุงแต่งทางใจและการปรุงแต่งทางกายมันระ ง, งับลงระ ง, งับลงสติก็จะตั้งมันเอาไว้สติตั้งมันแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วนั่นเลยทุ่มฟังมันคือสมาธิ เป็นผลของการปฏิบัติด้วยสติที่เราตั้งไว้จะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เราในที่นี้เราใช้ลมหายใจเราก็เรียกว่าเป็นอาณาปานสติบางคนอาจจะใช้การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็เรียก ว, วิธีปฏิบัตินั้นว่าพุทธานุสติบางคนอาจจะนึกถึงหมวดธรรมอันดาหนึ่งเป็นความคิดนั่นแหละ เรื่องพดชงบ้างเรื่องอธิบายสีบ้างนั่นก็เป็นธรรมานุสติบานอาจจะนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นสังคารนุสติบางคนอาจจะนึกถึงการให้การบริจาคที่เราเคยทำไปฉันเคยให้ทานตรงนั้นตรงนี้คิดไปแล้วจิตมันก็เออเป็นธรรมดานะความระลึกถึงตรงนั้นก็เป็นชากานุสติ มันก็จะนึกถึงความดีที่เราเคยทำเอาไว้ในจุดใดจุดหนึ่ง น, นันก็เป็นสีหลักด้สติได้ั้งนานทาฟังฐานที่ตั้งแห่งจิตเนี่ยมีได้หลายอย่างเอาแต่หนึ่งก็ได้ได้หมดขอให้จิตมันสงบกันแล้วกันเพราะว่าการระลึกถึงด้วยกุศลธรรมนั้นเป็นสัมมาสตินั่นเองพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้ว เรามาทำความเข้าใจในเรื่องราวของปัญญาที่จะเป็นผลเกิดขึ้นของสติและสมาธินี้กันเวลาที่จิตของเราเนี่ยฟังมันจะไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่มันเริ่มต้นจากความพอใจเกิดขึ้นซะก่อนถ้เรามีความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งธรรมดานะั้นมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ เราเคยเจอมาก่อนสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนแม้เราพอใจมันมากเลยเนี่ยนั่นแหละความยึดถือมันจะไปติดตึบอยู่ตรงนั้นความยึดถือมันจะเชื่อมจิตของเรากับสิ่งนั้นไว้พอความยึดถือมันเชื่อมกันเอาไว้แพทเทิร์นกระบวนการความคิดของจิตเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อย เหมือนมีสายเส้นเป็นสมอแล้วก็เชื่อผูกเอาไว้กระแสน้มันจะพัดไปทางไหนเรือมันก็ห้อยตรงเตงอยู่ตรงนี้ลหละถูกพัดไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างแต่มีสมออยู่ยังไงมันก็ยังต้องกลับมาจุดเดิมมันอยู่นี่แหละอาจจะถูกพัดทางนั้นทางนี้แต่ก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะมันถูกผูกกันเอาไว้แล้วเหมือนกันนดิจิตของเราเวลามันจะพาดาเนินไป อยู่เรื่อยๆใช่ไหมเวลานี่มันไม่คอยใครนะเหมือนเหมือนกระแสน้ำทึ่นเปรียบเทียบไ้พัดไปอยู่ตลอดพัดไปอยู่ตลอดพัดไปแล้วพัดไปแล้วเนี่ยไปสู่จุดไหนเวลามันจะพัดพาตัวเราไม่ว่ากุณเห็นตัวเราโดยกายนี้หรือจิตนี้ก็ตามจะไปสู่ความตายเวลานี่นะ เหมือนกันโคมันออกไปออกไปเนี่ยมันก็ไปออกสู่ปากคอกเวลาพัดสัตว์ทั้งหลายไปสู่เงื้อมือของมัจุราชในที่นี้คือความตายเวลาที่มันพัดไปมันก็พัดไปจากปัจจุบันปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตไปอดีตก็ต่อไปอีกก็เป็นอดีตที่นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อย เราพอใจในปัจจุบันตรงไหนตรงไหนไม่รู้อธิบ่ายมาแล้วตรงนั้นมากกลายเป็นอดีตไปแล้วเวลามันพัฒ่อไปอีกแล้วพอจิตของเรามันจะคิดนึกนึงจากความยินดีพอใจยึดถือไปในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะไหลไปในอดีตอยู่เรื่อยไงก็มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนี่ขั้นตอนแรกนี่มันจะเป็นอย่างนี้ ไอเวลาที่เราคำนึงถึงสิ่งที่รวมไปแล้วน่มันจะไปคำนึงยังไงนะโอ้ยก็ขอให้สิ่งนั้นที่เราเคยดีมีอยู่ได้เนี่ยแหมมันมามีดีอยู่อีกเกิดขึ้นอีกปัจจุบันนี้มันน่าจะเป็นอย่างงี้ขอให้สิ่งที่รวมไปแล้วเป็นอย่างอย่างนี้แมเมื่อก่อนเคยเป็นอย่างงี้เดี๋ยวนี้มเป็นอย่างงี้มันไม่เหมือนกันเลยเนี่สถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะคำนึงถึงโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีโควิดดูสิเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ผู้คนเป็นอย่างนี้แหมมันดีอย่างนี้อย่างนี้คิดนึกไปก็นึกย้อนไปอีกว่าขอให้สิ่งที่เราได้เห็นได้คิดได้นึกเธงก็จะพูดถึงว่ามันเป็นขันหน้านั่นแหละขันหน้าที่เราล่วงไปแล้วเนี่ยแหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น นึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วในคันห้าที่เป็นอดีตนั้นจิตเราก็นึกไปอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของมันแล้วเพราะว่ามันมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เราเคยได้พอกระแสของเวลาพัดไปมันก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ผ่านไปไงก็จึงจะนึกถึงต่อไปแนอนาะคตด้วยนะคุณจะเป็นแบบนี้ แต่ความยึดถือมันคื่การต่อไปเนี่ยว่าโอยขอให้อนาคตเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาหรืออย่าเหมือนอดีตที่ผ่านมาเวลาแต่ว่าความยึดถือนัน้นเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าความยึดถือนั้นเป็นรูปแบบของความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะให้นึกถึงว่าอนาคตขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าความยึดถือ เป็นด้วยอำนาจของความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นปนาคตที่จะมีความปรารถนาต่อไปนั้นก็คือจะไม่อยากให้มันเป็นเหมือนอดีตแบบนั้นทั้งนั้นแหละตั้งฝั่งทั้งสองทางมันเาหมดยึดได้หมดกิเลสเนี่ยนะทั้งให้เราพอใจยินดีก็ได้ให้เราไม่พอใจเคยขย้งมันก็ได้พอคือบคลานต่อไปมันก็จะให้กำเนัดถึงสิ่งที่ยง ไม่มาถึงไงว่าอนาคตนะแหมมันต้องควรเป็นอย่างนี้หรือมันไม่ควรเป็นอย่างนี้บางคนก็ยึดได้ทั้งอดีต ด, ด้วยมุ่งหวังคิดนึกยึดไปในอนาคตก็ได้ด้วยคือคิดนึกเนี่ยมันไม่เท่า ก, กันกับความยึดถือนะยึดถืออาจจะไม่ได้มาในรูปของความคิดนึก หรือความคิดนึกทั้งหมดจะหมายว่าเป็นความยึดถือทั้งหมดก็ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกแยกกันให้ชัดเจนด้วยสติที่เราตั้งเอาไวา้เพราะว่าความคิดนึกเนี่ยตอนใช้คำว่าเป็นวิตกวิจาร์หมายถึงเป็นความคิดอาจจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันได้ทั้งนั้นถ้าเป็นเฉพาะในส่วนที่พนักุศลการปฏิบัติเบียดเบียน เดิมก็จะใช้คําเจาะจงลงไปว่าคือการปฏิบัติมีเบียนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นทางหลีกออกจากการไม่ปฏิบัติไม่บีเบียนเดิมก็จะใช้คําเจาะจงลงไปว่าคือวิตกวิจารได้ความยึดถือฝังมันไปติดกับอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิตกวิจารก็ได้ถ้าจะเป็นความรู้สึกเวทนาความยึดถือมันก็ติดได้ จะไปติดกับการปรุงแต่งงันใดนหนึ่งก็ได้จะไปติดกับหูก็ได้เสียงก็ได้เสียงที่ยังไม่เคยได้ยินตี่คิดนึกกับปรุงแต่งผลิตปั้นขึ้นมาก็ได้อนาคตได้อดีตได้สัญญาที่เป็นอดีตก็ได้สัญญาที่เป็นอนาคตก็ได้สังขารที่เป็นอดีตก็ได้สังขารที่เป็นอนาคตก็ได้ความคิดนึกดีไม่ดี มันติดได้หมดความยืดเือนี่นะมันเป็นกาวที่ดีมากๆเลยใช้ในน้ำก็ได้ใช้ที่แห้งก็ได้ใช้ที่เปียกก็ได้ใช้ในอดีตก็ได้ใช้ในอนาคตก็ได้กาวอะไรมันจะดีขนาดนี้ถ้าเอาทำมาขายได้นี่รวยเลยละ่ะมันอยู่ในจิตใจเรานี่แหละทุงฝั่งมันสร้างบันห้เรามานานแล้วนะอุปทานความยืดเื้อนี่ แล้ง จ, จึงจําแนกมันออกจะจําแนกมันออกเนี่ยต้องดูที่ขันห้าขันห้ามีทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันมีทั้งในที่ไกลที่ไกลมีทั้งหยาบละเอียดมีทั้งเลวประณีตมีทั้งของเราของเขามันไปได้หมดมันติดได้หมดไอ้ที่มันติดแล้วนี่แหละมันจึงสร้างปัญหาเพราะว่าพอมันมีความยึดถือ มันก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นตามต่อมาจากความยึดถือนั้นมีความยึดถือที่ไหนมันก็จะมีความหวงกันต่างๆตามมามีเรื่องราวที่เกิดจากความหวงกันนั้นคือการใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างมีคำด่าคำว่าบ้างมีการแย่งชิงกันต่อไปนี้เป็นความทุกข์ที่มันจะต่อเนื่องตามมา ให้เกิดการเสียหายให้เกิดความทุกข์เราจะเป็นผู้ชาดได้ให้เห็นตามความเป็นจริงแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในขันหานี้ไงถึงจะแยกชิ้นส่วนแยกองค์ประกอบของมันเราจะแยกแยะได้เริ่มจากสติตรมว่งางทำความเข้าใจในกายในใจของเรา เราจะทำความเข้าใจแยกแยกแยกายใจเราได้เริ่มจากสติเอาไว้จะเป็นกระบวนการที่เป็นไปธรรมชาติเลยติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ค้นพบกระบวนการอันนี้ค้นพบกระบวนการอันนี้แล้วลองปฏิบัติตามดูได้ผลเกินคาดได้ผลเกินขนาดได้ผลมากกว่าที่คาดการเอาไว้เกินประมาณ ได้ผลนี้ก็คือว่าพอท่านตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เนี่สิ่งต่างๆมันแยกแยะกขกนมออหมดขันห้างแยกออกส่วนหนึ่งสิ่งที่จะไปยึดติด ก, กับขันห้านั่นคือตัณหาอุปาทานมันก็แยกออกส่วนหนึ่งลักษณะการปรุงแต่งที่มันดีการปรุงแต่งที่มันไม่ดี มันแยกออกจากกันการบรุงแต่งที่ดีนั้นก็คือมรค8การบรุงแต่งที่ไม่ดีนั้นก็คือสมุทยัยอุปทานขันห้าอวิชาสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันเดิมมีอยู่ในโลกนั่นก็คือขันห้าคือทุกนี่เท่านเห็นแยกแย้มมันออกเออเราจะดับมันจะทํำยังไงทําไปทําไปเรื่อยๆเออมันดับได้เองที่ว่ามันดับได้เองไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย แตเหตุปัจจัยนั้นมาจากมรรคมรรคก็คือสติที่เราตั้งไว้นี่แหละเราตั้งสติไว้ดูไว้เนี่ยมันแยกจากกันอดีแยกไปอนาคตแยกไปส่วนที่เป็นขันหะพี่ว่าแยกไปเป็นอดีอนาคตปัจจุบันส่วนที่เป็นเหตุของความทุกข์คือตันหะก็แยกเป็นอดีอนาคตปัจจุบันได้ ไกลใกล้ยามละเอียดเลวประนีตแ ย, ยกไดเหมือนกันหมดมักก็แยกไดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สามิติไม่ใช่แค่สี่มิติห้ามิติมันแยกไปเป็นกว่านั้นอีกแยกแยกออกในทุกระนาบในทุกเพลงในทุกมิติแยกออกด้วยสติของเราไงเพราะเราแยากสติออกสิ่งที่แยกออกก่อนเลยที่ว่าจะเป็นปัญญาให้เห็นเลนย คืออดีตคอที่เราเห็นด้วยปัญญาว่ามันผ่านมาแล้วคนที่เขาละอดีตได้เขาก็มุ่งหวังไปในอนาคตนั่นแหละ ว, ว่าเออฉันมียุดติกับอดีตละฉันจะวางแผนในอนาคตเป็นยังไงยังไงคุณก็มุ่งหวังไปในสิ่งที่มันยังไม่ได้นั้นยังไม่มาถึงนั้นคืออนาคตนั้นนดี่มันพลาดไปติกับอนาคตได้หลุดตรงนั้นแหมมันเดิมาติดตรงนี้อาอมีปัญญาขึ้นต่อไปอีก เ อ, อเราวางแผ่ในนาโคตแล้ว เ, ออเราก็ต้องทําอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละเอาก็ทําปัจจุบันมันให้ดีไม่ยึดติดในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั้นในสิ่งที่ยังไม่มีนั้นเห็นด้วยปัญญาว่าเอยมันยังไม่มาถึงหน้าก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันแต่พราะความยึดถือมันไม่ไปติดในเดทไม่ไปติดในานาคตแต่บานที่มันติดอยู่กับปัจจุบันได้นะความยึดถืออุปทาน กิเลสกเรื่องเศราหมองปัญหาความทะยานยากอาวิชาคือความไม่รู้มันนัทำให้เราเผลอไปลืมไปเผลอไปตรงไหนลืมไปตรงไหนมันก็ไปติดยึดกับตรงนั้นนั่นแหละเผลอไปแน่ดีมันก็ติดยึดกับอดีตโอ้เรื่องได้เรื่องได้แล้วว่าไม่มันไม่ดีอดีตแล้วก็ไปในอนาคตมันก็เผลอไปตรงนั้นได้ ไม่เผลอไปในอดีไม่เผลอไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันเนอมันก็ติดกับปัจจุบันได้เพราะว่าปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเอาคุณทำอะไรอะคุณทำงานนั่นนี่คุณค้าขายอย่างนั้นอย่างนี้คุณอยู่บ้านที่นั่นที่นี่อยู่แล้วมันก็ยังเห็นรูปปัจจุบันนั่นแหละได้ยินเสียงเอาปัจจุบันนั่นแหละคิดนึกกับปัจจุบันนั่นแหละ สัมผัสทางตาหูจมูกรื่นกายและใจมันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันตลอดเลยนะไอ้นั่นแหละมันก็ยึดถือได้เราเพลอเพลิลนไปในปัจจุบันก็ได้อย่าไปพูดเล ย, ยปัจจุบันความดีความดีเนี่ยคนเราบางทีมันก็เสียได้ก็เพร า, วาความดีนั่นแหละเอาความดีเป็นข้ออ้างยึดในความดียึดในความดีแล้วความเสียหาย มันเกิดขึ้นจากตรงที่ยึดถือนั่นแหละยึดถือแล้วความดีมีแล้วดันเสียตรงนี้ไปยึดถือแล้วมันก็ทาชั่วได้เพราะเอาความดีน่ะเป็นก้ออ้างหรือว่าเมาเงี้ยเมาบุญหลงบุญเคยดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยท่านจึงบอกว่าเห็นแช่งในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะ เระว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันบางที่ก็เพลินไปในปัจจุบันได้แต่เราต้องเห็นแจ้งทั้งในอดีตเหมือนที่เราเห็นแจ้งมาแล้วเห็นแจ้งในอนาคตเหมือนที่เราเห็นมาแล้วเห็นแจ้งในปัจจุบันนี้ด้วยการเห็นแจ้งกันไม่เห็นแจ้งเป็นอย่างไรเราจะไม่เห็นแจ้งก่อนเนี่ยมันก็จะมีความง่อนเงืนคลอนแกลนคกับบางงอนแงนคลอนแกลนเนี่ยหมายถึงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ คำว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยหมายถึงมันจะถูกพัดไปตามกระแสของความอยากได้พัดไปตามกระแสของเวลาได้พัดไปตามกระแสของมารได้ใ้ปัจจุบันที่เรายึดถือเดี๋ยวมันเป็นอดีตมืันกลับวนไปเหมือนเดิมอีกไงแต่กุญงเงันก้นอนแกนถูกพัดไปได้ยังไงนงั่นคือเ่อนเงันกอนแกนที่ว่าพัดไปได้คือเห็นโดยความเป็นของที่ มั่นคงยังยืนเที่ยงแท้พอใจยินดีความเพลินความพอใจอยู่ตรงไหนแม้ในปัจจุบันก็ตามนะเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของดีงามเห็นโดยความเป็นของเทียท่ยงเที่ยงสุขอัตตาไงคุ้นคุ้นไหมเพราะมันตรงกันข้ามกับความมั่นคง ความไม่งอนแงนความไม่กรอนแกลนคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตาเมื่อไรก็ตามที่เรามีความเพลินความพอใจใช่ปะเราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความมีของยั่งยืนมันโนก่งนี่คือเที่ยงเพราะว่าเรามีความสุขในสิ่งนั้นแล้วสิ่งไหนสุขเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเที่ยงมันก็จะมีความเที่ยงมีความสุขแล้วก็จะเห็นเป็นตัวตนไงเป็นนันตา นั่นแนะคือความงอนเงินค่อนแกลนแต่เราจะให้เกิดความไม่ง่อนเงินให้เกิดความไม่ค่อนแกลนให้เกิดความมั่นคงได้ต้องเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าลองตอบดูลองตอบดูล อ, อบดลองคิดดูคิดด้วยปัญญานะไม่ใช่ตัวเราคิด แต่ตัวเราคิดมันเพลยไปนในปัจจุบันแล้วยังเห็นว่าตัวเราเป็นตัวเราเน่นคืออัตาแต่ให้ใช้ปัญญาเป็นตัวคิดให้ใช้ปัญญาไตรรวนปัญญาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ชื่อสิ่งของนั่นนี่นอนไม่ใช่ชื่อคนนั้นนี่นอนแต่สติอยู่ตรงไหนปัญญานัไนแหละมันต้องอยู่ตรงนั้น ยามเขาฝ้าประตูวไว้ตรงไหนยามมันจะฉลาดมันก็ต้องอยู่ตรงยามนั่นแหละให้ฉลาดเห็นว่าไอ้คนนี้เข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้สติอยู่ตรงไหนก็ให้มีปัญญาฉลาดเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะอันนี้คอมมอนเซนส์นะท่านฟังมันเป็นสัญชาตญาณเป็นวิจรารณญาณเป็นเรื่องธรรมชาติน่ะนะ เอาว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะไปเที่ยงได้ไงหรือเมื่อก่อนมันมีมาเดี๋ยวนี้มันดับไปมันหาความเที่ยงแต่ที่ไหนนี่แหละคือปัญญาจะเกิดจากการที่เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้สังเกตดูแค่นี้แหละสังเกตดูสมาี่เมื่อก่อนมันมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีไหมมีมาแล้วมันเที่ยงไหมเออมันก็ย่างเช้าอยู่มันก็ยังไม่เที่ยงนะ ไม่ใช่นะมันก็ไม่ยังยืนไม่มันคงไงมีการเปลี่ยนแปลงตามอะไรเงื่อนไขปัจจัยของอะไรของอะไรก็ตามที่นปรุงแต่งกันมานั่นแหละสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขปัจจัยไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นจะเป็นเรื่องของเวลาที่มันเป็นอดีตก็ได้เป็นอนาคตก็ได้เป็นปัจจุบันก็ได้ปัจจุบันเป็นเวลาไหมล่ะ เป็นนะเป็นหูกระแสของเวลาพัดไปอยู่ตลอดพัดไปอยู่ตลอดปัจจุบันก็เป็นอดีทันทีอนาคตก็คือปัจจุบันที่เราคิดอยู่ปัจจุบันในเรื่องที่ยังไม่หมายถึงนั่นแหละเรื่องที่เราคิดอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวปุ๊บปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วทันทีในวินาทีนี้เลยไอ้ที่เราคิดไปในอดีตโถคุณก็คิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคุณไม่ได้คิดไปในอดีตเลยอองคุณมันผ่านไปแล้วใช่ไหมล่ะเรา คิดนึกถึงเมื่อตกี้เนี่ยเราคิดนึกถึงเมื่อวานเนี่ยคุณก็คิดตอนนี้แหละมันก็ปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันก็คืออดีตอดีก็คือปัจจุบันอนาคตก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตมันมันต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันเลยตรงไหนตรงที่ว่ามันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอาศัยเงื่อนไขปัจจัยของเวลามันก็เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน สิ่งใดอาศัยเงื่อนไขปัจจัยนั่นไม่เทียเเ่ยงอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงทั้งสิน้นจะเป็นของหยาบของดีของประณีของเลวเป็นของเราของเขามีในที่ไกลที่ใกล้สิ่งนั้นทั้งหมดท่านผู้ฟังมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาก็ตั้งสติดูสังเกตว่ามันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัย ไม่มีอะเฟังอะไรในโลกนี้ที่มันจะไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยไม่มีไม่มีจริงๆนะไม่มีมีไหมฉันถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะไปไม่ยึดถือเนี่ยมันมีป่ะเนาะหรือว่าถ้ายึดถือแล้วมันจะหาโทษไม่ได้เนี่ยคิดดูเนี่ยมันไม่มีเลยไม่มีเลย ช้างเวลาเขาเดินทางไปไหนก็ตามความช้างเขาสั่งไปเนี่ยที่ที่เคยไปไม่เคยไปช้างนั้นเนี่ยต้องไปทันทีช้างนี่คือฝึกมาอย่างดีเหมือนกันดำฝังในตลอดการยืดยาวนาะนในสังสารวัตนนี้เราเคยไปมาหมดนะไม่ว่าจะนรกโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยเคยไปมาแล้วเคยจัดทัวร์ไปนรกมาแล้วสวรรค์นนะ่ะโอ้ไปมาแล้ว ท้าวสกกะเทวราชให้มั่นใจได้เลยเคยไปเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกันนะตลอดการยืดยาวนานนี่ตัวท่านผู้ฟังนี่แหละตัวคนนั่งข้างๆนี่แหละตัวผู้พูดนี่นแหละตัวพระพุทธเจ้าผู้สอนด้วยนั่นแหละเคยเกิดมาหมดเคยเป็นมาหมดตลอดการในช่วงวัดตสาสงสารเนี่ที่ไม่เคยไปไม่มีเลยโ อ, โ, อโอ้เดี๋ยวมีอยู่ที่หนึ่ง ที่ไหนอ่ะนิพานนิพานเป็นที่ที่ไม่เคยไปเลยทําไมอ่ะเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการดับปรากฏความที่มันตั้งอยู่เนอะก็ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏปรากฏโอ้ยจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ยังไงก็ต้องทําการปรุงแต่งแรงต่างให้มันระงับลงระงับลงเราจะไปเห็นจุดนั้นได้ไงปฏิบัติตามมากขเริ่มจากการตั้งสติขึ้นนี้ไง มีการตั้งสติขึ้นสังเกตดูตรงไหนมันมีการปรุงแต่งมีเงืรร่อนไขปัจจัยอันนั้นไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์มันไม่เทีย่ยงโอแมวแมวมันไม่ใช่ตัวตนเราเห็นสิ่งนี้นะในอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตาเราก็จะไม่ได้ไปตั้งคำหนึ่ง ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นพอเรามีปัญญาเราขยายต่อไปคือถ้าความยึดถือมันขยายจากอดีตเราตัดไปแล้วมันขยายไปอนาคตได้เราตัดไปแล้วมันขยายมาปัจจุบันได้ใช่ไหมปัญญาของเราเหมือนกันน่ะคุณตั้งสติไว้ไปเห็นอดีตมันเที่ยงไหมเงินมันผ่านมาแล้วเงื่อนไขยัจัยมันมีเอามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตาานั่นคือปัญญาใช่ไ่มปัญญาเราก็ขยายไปในอนาคตได้เหมือนกัน กิเลสคืบคลานไปทางไหนปัญญาเราก็คืบคลานไปตามมันได้หมดเหมือนกันตามสติที่เราตั้งไว้ได้เห็นแน่ดีได้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นตตาไม่กําหนัดถึงมันวางได้ละความยึดถือในสิ่งนั้นได้ละได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะพระพุทธเจ้าทุงทีท่านก็นยังคิดถึงอดีต เ, เราให้พิกษุรูปนี้ฟังเราให้เจ้าชายองค์นั้นฟัง เรื่องราวในอดีตท่านเป็นมายังไงการไม่คำนึงถึงหมายถึงการไม่ยึดถือการไม่งอนเงินค่อนแกลนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่คิดถึงเหมือนทีมก็มีความคิดนึกถึงไปได้เป็นวิทยิจารต์มีไงในอดีตแต่ไม่งอนเงินไม่ค่อนแกลนคือเห็นด้วยความเป็นก่อบไม่เตียงไม่ใช่ไม่คิดคิดอยู่แต่ไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยปัญญา คุณก็ให้คืบคลานต่อไปตามอนาคตได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงอะไดูอย่างพระพุทธเจ้า ต, ตอนเป็นโุถิดสัตว์ดูเอาเอาจนก็ต้องตั้งไว้ซึ่งเป้าหมายในชีวิตคือการบรรลุสมมมาสัมพุทฺญาณหรือว่าโอ้ความปรารถนาอันสุดยอดนี้ได้บรรลุถึงแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องคิดต่อพิเอจะประกาศศาสนายังไงจะดาเนินแนวทางในการสอนเป็นอย่างไร จะไปปริณีผ่านที่ไหนจะกําหนดเงื่อนไขของธรรมะไปยังไงแล้วก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอยู่ดีอ่ะแต่การคิดนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยไม่ใช่ตั้งความหวังเอาไว้ไงเพราะการตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยมันเป็นการยึดถือแต่เราคิดถึงเฉยเไม่ยึดถือไม่ตั้งความหวังในสิ่งที่ไม่มาถึงไม่ใช่ไม่คิดก็คิดนั่นแะแต่ไม่ยึดถือ จะไม่ยึดถือได้ไม่คาดหวังได้คุณก็เห็นสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นแะที่คุณคิดนึกนั่นะโดยความเป็นของไม่เที่ยง อ, อ๋อก็เมื่อก่อนไม่ได้คิดนึกเดี๋ยวนี้ไปคิดนึกมันเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข อ, อ๋อมันจะทนอยู่ในภาพเดิมก็ไม่ได้นะมันก็เป็นทุกข์ไงประเด็นคือแล้วเราจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนั้นหรอ คิดดูดีๆนะคิดดูดีๆสิ่งใดเป็นเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งคือมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะไปหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีสภาวะทนอยู่ได้ยากคือมันจะเ ป, ปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเขาเรียวเป็นทุกข์แล้วเราจะไปหาความสุขในสิ่งที่จะเป็นทุกข์หรอคิดดูดีๆนาะมันจะไม่ค่อยฉลาดนำฝังเจะไม่ค่อยฉลาดจะหาไม่เจอเนีนะ จะไม่เจอเราจะไปหาเปลวไฟจากแสงหิ่งห้อยเหรอโอ้ยคุณจะหาไม่เจอคือบางคนเห็นเหมือนไฟว่าว่าว่าว่าวาอยู่เนี่ยโอ้ยจะนทำเปลวไฟทําเพลิงให้เกิดขึ้นโดยการเอาขี้ใต้ไปสูบเอาไว้เอานุ่นไปใส่เอาไว้เป่าไฟเป่าลมลงไปให้มันเกิดเปลิงเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยหาผิดที่แล้ว คุณจะไปหารีดนมเอาจากเขาวัวมันไม่ได้หรอกคุณจะไปหาเอาโยเกิร์ตจากการเอาน้ํามากวนมาปั่นในหมอ้อมันจะไป ม, มีได้งไงหรือคุณจะไปหาเอาน้ํามันจากทรายที่ใส่เข้าไปในหม้อแล้วบดไปบดมามันก็ได้แต่ผงทรายเหมือนเดิมมันจะไป ม, มีน้ํามันออกมามันไม่ได้หาความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ มันไม่มีไม่เจอหาความเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนหาประสาทราชวังในเปรยียบแนดดเนี่ยหาไม่เจอหรือจะไปหาความแข็งหาแก่นไม้ในกาบกล้วยในต้นกล้วยเนี่ยมันก็หาผิดที่แล้วล่ะหาไม่เจอทุวันเรจะไปหาสาระความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่มันไม่ได้ หาสาระในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ได้หาความดีในคนชั่วหาไม่เจอในเวลาที่เขาชั่วนะถ้าเวลาที่เขาดีก็อาจาจะหาเจออยู่หาให้ถูกที่ท่านผฟังตัวเราบางทีมันชั่วมไม่ดีความดีมันก็ไม่มีจุดนั้นตัวเขาบางทีดีเขาไม่ชั่วความดีมันก็มีจุดนั้นตัวเรามีปัญญาจุดไหน ปัญญามันก็อยู่จุดนั้นสติมันก็อยู่จุดนั้นสติมันเผลอไปตอนไหนปัญญามันก็หายไปด้วยเราตั้งไว้เห็นเงื่อนไขปัจจัยถูกต้องเห็นเงื่อนไขปัจจัยให้ถูกต้องแล้วนั่นคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ย อยู่ให้เห็นโดยความเป็นความไม่เที่ยงแม้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะอะไรเพราะเวลามันหมุนไปมันพัดไปอยู่ตลอดเวลาวันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันกลายเป็นอดีตทันทีแล้วณวินาทีนี้เลยมันพัดไปอยู่ตลอดมัจจุมาเนี่ยมันเข้ามาใกล้อยู่ตลอดทุกลมหายใจทุกลมหายใจ มองโลกในความจริงอะนะท่านฟังไม่ใช่ว่ามองโลกแง่ร้ายเราหายใจเข้าหายใจออกทีหนึ่งเนี่ยเราเข้าใกล้ความตายไปลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งทุกงานวันเกิดที่ว่าคุณผ่านวันเกิดมาแล้วทีหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์โอ้ยแต่จริงๆแล้วคือคุณเข้าใกล้ความตายไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะแต่เขาไม่พูดเฉย กเ็เกรงใจกันก็จะพูดบาเออขอให้มีความสุขแต่ถ้าจะพูดกันจริงๆก็คุณเข้าใกล้ความตายไปปีหนึ่งแล้วนะรับของขวัญมารับคําวยพรมาให้เห็นด้วยปัญญาเถอะเห็นด้วยปัญญาว่าเวลามันหมุนเวียนเปลียปล่ยนแปลงผิดเพียเ้ยนไปอยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้กับความตายไม่รู้อัไหนจะมาก่อนกัน เออพรุ่งนี้อาจจะมาถึงก่อนโอ้ความตายยังไม่มาก็ไปอีกวันหนึ่งหรือวันนี้อาจจะตายก่อนความตายมาถึงก่อนพรุ่งนี้ด้วยซ้าก็ไม่รู้ท่านบอกว่าเสนาของมัจจุมานี่มันมีมากเสนาเนี่หมายถึงหมู่พวกของเขาหมู่พวกของความตายนี่มันมีทุกที่คือคนเราเนี่ยเ่นเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเอาไม้จิ้มไปตรงไหนนี่ ที่ที่มันไม่มีคนตายเนี่ยมันยังไม่มีนะเอาไม้จี้ไปที่ภูเขาลองนึกย้อนไปในอดีตดูจะมีความสามารถคนที่มาเคยตายนะจุดตรงภูเขานั้นมีแน่นอนเอไม้จี้ลงไปตรงทะเลดูคนที่จะมาตายตรงทะเลนี้ย้อนนึกกลับไปดูจะมีความสามารถเหมือนมีแน่นอนเอาไม้จี้ไปตรงอากาศดูเราคิดว่าอากาศตรงนี้จะไม่มีใครตาย ดูดันปลานอนอย่างปริณิพน์ในอากาศได้นกกาบางทีก็ตายกลางอากาศได้ร่วงตกลงมามีทั้งนั้นตั้งบันังมีทุกที่ที่ไม่มีคนตายที่ไม่มีใครที่จะรับผลของกรรมไม่ว่าจะเข้าไปในซอกผาอยู่ในน้ำดำจนถึงใต้มหาสมุทรหรือลอยอยู่บนผิวน้ำหรือลอยขึ้นไปในบรรยากาศเนี้ ที่ที่จะไม่ได้รับผลของกรรมที่ดีจะไม่มีคนตายที่ที่ฉนีผลของกรรมได้เนี่ยมันไม่มีเสนาของมานมันมากมายโอ้มีอยู่ที่หนึ่งนั่นคือนิพพานไงที่จะเราไม่เคยไปนิพพานเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่าเป็นสถานที่ก็เอาเอาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ความตายเนี่ยจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีเกิดไงถ้าไม่มีเกิดตายมันไม่มีแต่เรามีเกิดมาแล้วมันถูกกระแสเนี่ยพัดไปแล้วมันจะให้สู่ความตายได้แน่นอนสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคิดว่าเอ้ยจะเป็นที่ที่ป้องกันเราจากความตายสิ่งนั้นนั่นแล้วเวลาตายอ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละอยคนที่สร้างปั่มปราการหรือสร้างอาวุธอันใดอันหนึ่งที่ว่าคิดว่าจะป้องกันฉันจากศัตรูไม่ให้ฉันตายได้ แต่เวลาตายจริงสมมคุณสร้างบ้านไว้คนก็ตายในบ้านนั่นแหละสร้างอาวุธไว้เหมือนที่ก็ตายด้วยอาวุธคุณตัวเองนั่นแหละหรืออาวุธของคุณหนึ่งที่เขาสร้างเอาไว้นั่นแหละหรือต่อให้อาวุธนั้นบ้านนั้นปัตบราการนั้นมันจะรักษาเราจากความตายณนะจุดนั้นจุดนั้นได้ต่อมาต่อว่าบางทีก็ตายด้วยโรคหัวใจบ้างเกิดอุบัติเหตุตายบ้างเรดูแค่ว่าท่อมันอยู่ยเฉยๆของมันนี่ มีคนตกต่อตายเหมือนได้รู้เราศาสตร์สร้างราวจับไว้อย่างดีมือดีมือลื่นจากราวจับตกบัไดาตายก็มีห้องน้ำโอไม่ต้องพูดถึงคนตายในห้องน้ําปีหนึ่งกี่คนทั่วโลกเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะแล้วดูอย่างโรงพยาบาลที่ที่เขาจะรักษาไม่ให้คนตายโอ้คนนั้นแล้วไปตายที่โรงพยาบาลกันมากเขาไม่เอาออกมาทำปกติให้เราเห็นเฉยๆออกไปทางประตูหลังนู่น ไปทางช่องทางเฉพาะไว้สำหรับคนตายออกเสียหน้าของพญามาจุรานั่นคือความตายเนี่ยมันมีมากเราไม่ต้องเราคิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันมันมีอยู่ตลอดเวลาเราให้คิดถึงเห็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยมันอยู่ในมิติ ที่เป็นเวลาเป็นไทม์แอนด์สเปซพอเราตั้งสติเอาไว้ตามมารกอยู่เนี่ยนิพพานเนี่ยมันเหนือเวลาเหนือสถานที่ก็เรียกว่าโนไทม์โนสเปซสติจะพาเราไปตรงนั้นได้แยกแยะออกไงสติเนี่ยแยกออกเรื่องเวลาก็ได้นะแยกออกแล้วเนี่ยให้มันขาดจากกัน ถ้ามันยังไม่ขาดมันยังเห็นเป็นของที่ยังเป็นของสุกเป็นอัตตาอยู่แม้แต่สมาธิเราก็ไม่ได้จะเห็นว่ามันสุกอ่ะไม่ได้เชื่ว่ามันเป็นสาระจะเอาอัตตาในสิ่งที่เป็นสมาธินั้นไม่ใช่เป็นทางผ่านเฉยๆนจนถึงเรื่องคามมักไงมักเนี่ยแปลว่าะอะไรแล้วว่าทางทางเนี่ยไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่เป้าหมายไง e s t i n a t i o n คือเป้าหมายคือนิพพาน แต่ทางไม่ใช่เป้าหมายเป็นการเดินทางเฉยๆผ่านมาเฉยๆแต่ต้องเอาคนหน้าทางเนี่ยคือถ้าไปผิดทางนี่ตกไกลเลยแต่ถ้าไปถูกทางถึงเป้าหมายได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้เียการเดินทางเนี่ยสำคัญกว่าเป้าหมายกว่าสถานที่ที่เราจะไปถึงคือมันก็ใช่ยุคตอนที่คุณเดินทางไงแต่พอคถึงแล้วเนี่ยโอ้ทางนี่ก็สำคัญเมือกันเพราะว่ามันพาเรามาถึงนี่ได้ก็ถูกขเขา แต่ที่เราจะเอาคือเราเอาเป้าหมายนั้นคือที่ที่มันจะไม่มีการปรุงแต่งที่ที่มันจะเหนือการเวลาเหนือสถานที่ no time no space เราเอาตามทางคือสติตั้งไว้สติตั้งไว้แล้วมันจะแยกกันออกเวลาสถานที่แลนะเราจะมาอยู่ใน dimension ในมิติที่ว่ามันเหนือจากกันเหนือจากกายเหนือจากจิต จิตมันจะแยกออกจากกายจิตยแยกออกจากกายแล้วมันเหลือจิตนี่แหละที่เห็นความไม่เที่ยงในจิตของเรามันสามารถเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆได้ที่เราไปยึดถือเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นตัวตนเป็นสุขเป็นอัตตาเพราะว่าจิตนี่แหละปรุงแต่งไปจิตของเราเดี๋ยวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มีความประพัฒสอนอยู่ในตัวของมันเฒ้ามองก็ได้ผ่องใสก็ได้ผ่องใสแล้วก็ดีงามเฒ่ามองแล้วก็แย่งงงมเราแยกจิตของเราออกจากกายแล้วแยกความเศร้าหมองออกแยกสิ่งที่เป็นความสุขออกเห็นทั้งหมดนั้นรวมทั้งจิตด้วยโดยความเป็นความไม่เที่ยงนี่แหละตุ๊มวังเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิต คือผู้ฉลาดผู้มีปัญญาหรือว่าเป็นผู้มีความเพียรเห็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงละกลางวันกลางคืนมันเนื้อเรื่องเวลาไปแล้วมันอยู่ในที่ที่ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่เป็นที่ที่สงบเป็นที่ที่เจริญเรา ท, ทําจิตขเราให้ถึงจุดนี้แล้ววางความยึดถือในเจเนซิยะให้น้อมจิตไปสู่สถานที่ ที่เราไม่เคยไปในคือนิพพานเป็นธรรมันสงบระงับปิดหี้น้ําจิตไปแล้วตั้งสติของเราไว้พอระวางสิ่งต่างๆไปหมดเนี่ยเหลือไว้อยู่ก็เหลือสตินั่นแหละเหลือไว้อยู่ก็เหลือความว่างนี่แหละเหลือความเบาเหลือความยินอยู่ในจิตใจของเราในทุกนาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแงประเทศไทย ตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าป็นบูฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ดอนไฮโซดเดฟเฟมพระเจ้าพระมห า, ายบบุญอาพิปุนโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจรันพัน